เหมือนกับลมจะไม่ให้มันพัดไปไหนเขาก็ไม่เรียกว่าลมทามันนิ่งอยู่เฉยๆ เ, เว่าอากาศจาลมมันต้องพัดไปมาจิตมันก็จาคิดอารมณ์อยู่ด้วยอารมณ์แต่ผู้ฉลาดให้จิตของเราคิดไปในสิ่งที่มีประโยชน์เนี่ย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 ถ้าเราไปยึดในทมที่ไม่เกิดความสงบแล้วจิตก็ไม่สงบมีแต่คิดสู่คิดแต่เนที่อื่นเพราะฉะนั้นจิตต้องมีที่ยึดมีที่พุ่งแต่จิตนี่มันคิดนึกโดยคล่องตัวจะเพ้อเมื่อร่แล้วไปอย่าง ไม่มีกัางวันกลางคืนจิตถ้าไม่คิดไม่นึกแนละ้วมันก็ใช้การใช้งานไม่ได้เออมันก็เป็นเหมือนกับธาตุดินมันไม่ได้คิดเออมันก็เป็นธาตุดินอยู่อย่างนั้นเน่ยไม่มีปัญญาธาตุน้ํามันก็ไม่คิดมันก็เป็นธาตุน้ําอยู่อย่างนั้นมันไม่มีปัญญาอะไร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 ให้จิตอยู่ในพุทธโธให้ผูกจิตอยู่ในพุทธโธนั่นเพื่อจะได้เป็นหลักเพราะพระพุทธเจา้าพระองค์ดีพร้อมมีคุณสมบัติพร้อมทุกอย่างเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งหลายทั้งสามโลกคารพบกราบไหว้นับถือพระองค์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 สมาธิจิตตั้งมัน่นเราก็องระลึกพุโทโธก็ให้จิตตั้งมัน่นมีสมาธิแน่วแ น, แน่พระองค์มีครบถ้วนทุกอย่างบรรดามักประกอบไปด้วยองแตกพระองค์ก็มีครบถ้วนเป็นประกอบไปด้วยอริยสี่อริยสัจทำทั้งสี่พระองค์ก็มี พระองค์ก็รู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจจะทำทั้งสี่ทุกพระองค์ก็รู้แจ้งก่อนใครๆในโลกซึ่งเป็นอริยะ ส, ะสัจสมุทัยพระองค์ก็รู้แจ้งแทงตลอดก่อนใครใในโลกทุกควรกําหนดรูพระองค์ก็กําหนดรูแล้วก่อนใครๆในโลก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 ธาตุทางศีลนี่ไม่ได้ทําให้เรามีความสงบสุขเลยเดี๋ยวไปเจ็บตรงนั่นเดี๋ยวก็คันตรงนี้เดี๋ยวไปหิวเดี๋ยวก็รอ้อนเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็อยากโน้นอย่างนี้อยู่ตลอดนะถ้าเราตรวจดูแล้วเพราะฉะนั้นจึงพระองค์จึงตรัสเทศนาว่าพึ่งไม่ได้เสมอไปอย่า ย, ยึดมั่น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 ลอยวางได้เราก็พิจารณาเห็นจริงแจ้งประจั์จะกเป็นจริงเหมือนพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสหมที่มีอยู่ในตัวของเราอันมัชฌิมตายเยนมีอยู่ในกายนี้ในกายนี้ไม่ใช่ว่ามีแต่เท่านั้นยังมีชาราภาพยังมีพยาธิ รอบภัยต่างๆยังมีความมรณะคือแตกดับในที่สุดนี่เราพิจารณารูปเพราะเหตุใดเพราะเราอยากจะออกจากทุกข์เพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ให้เราทุกข์ถ้าเราไม่รู้เราก็ออกไม่ได้ถ้าเราไม่เห็นเราก็ไม่รู้ เพราะฉะนั้นจึงเป็นจะต้องมาภาวนาเพ่งเอาสติเอาปัญญาไปเพ่งดูให้เห็นตัวจกักในจิตในใจเราจะได้ไม่หลงสำคัญผิดจะได้เจริญสัมมาทิฏฐิในอริ ย, ยสัจเจ้าสัจจะปฏิปทาข้อปฏิบัติออกจากทุกข์ เริญสั ม, มาธิธิให้บริบูรณ์ให้มีความเห็นตรงตามคำสอนพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงพระดำรับไว้อย่างไรเมื่อเราปฏิบัติไปแล้วจิตใจของเราก็เห็นอย่างนั้นจริงๆไม่มีผิดแม้แต่น้อยเราก็ได้รู้ว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆก็กดไิจกไักในจิตใจ คือพระองค์ให้ละเป็นละได้โดยไม่ยากเพราะเราเห็นถึงพระองค์ไม่บอกให้ละก็ต้องละเนี่ยถึงใครจะบังคับใหถือมันก็ไม่อยากถือนะเพราะมันเห็นจริงแล้วมันถือเอาไปทําไมมันมีประโยชน์อะไรพอจิตเห็นเท่านั้นเนี่ยมันปล่อยวางเนะีมันก็สงบผ่องไสสะอาดนะขอให้เห็นให้ชัด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 ไม่แบกให้มันหนักเลยเราจะได้นั่งก็สบายเดินก็สบายอยู่ที่ไหนก็สบายเมื่อเห็นของจริงตามรสมนพระโพธิจ้ามันอยู่ในตัวเราไม่ได้อยู่ไกลเพราะที่เราจะไม่เห็นนะมันก็มีอยู่เราก็รู้อยู่ <c oughs> แต่เราไม่ได้เจริญให้เพียงพอให้มีกำลังศรัทธาความเชื่อ ในสิ่งนี้ยังไม่มั่นคงปัญญาของเราได้กาหนดรู้สิ่งนี้กันน้อยมากโดยมากมันคิดไปเรื่องอื่นถ้าเรามาอยู่ในนี้ให้มากรู้อันนี้ให้มากตลอดเวลาแล้วมันจะต้องสงบได้มันจะต้องปล่อยวางได้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 เดินมีทาตไฟให้อบอุ่นมีทาตลมจะทาตอยู่ในนี้ถึงสมุติขึ้นมาว่าลูกผลนทกุศลอกุศลซึ่งเป็นช่างเป็นสังขารปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารมันสร้างขึ้นมาเป็นในช่างเราก็ไม่แยกดูหุนน่นอ่นนี่เขาสร้างมาด้วยอะไรมีอะไรบ้าง นั่งดูจนให้เกิดความสุขใจมีความสุขเพราะรู้เพราะเห็นมีความอิม่มใจเพราะรู้เพราะเห็นท่านว่าเป็นปทายานของพระอริยะเป็นอมตะธรรม ท, ที่เราควรบริโภค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 เพฉะนั้นให้เราทั้งหลายเข้าใจ